ก็คิดว่าจะใช้โอกาสนี้แนะนําสั้นๆในการปฏิบัติหรือใช้เวลาในช่วงนี้านที่ได้ได้แนะไปก่อนแล้วว่าขอให้เป็นช่วงเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองการกลับไปอยู่กับตัวเองเนี่ยมัน มันไม่จาเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติในรูปแบบเช่นนั่งคัดสมาต์หลับตาหรือว่าเดินจงกรมอันนั้นก็สำคัญแต่ว่าเราสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ทำกลางผู้คนหรือว่าในขณะที่เราทำกิจวัตรต่างๆ ่แล้วก็ตามในช่วงนี้เราก็ไม่มีกิจวัตรอะไรมากนะก็อยาให้เราได้ใช้อื้นียบนหลักๆนะใช้การนั่งแล้วการเดินอาจจะนั่งตรงจุดไหนก็แล้วแต่หรือว่าจะเดินตรงไหนก็แล้วแต่นะก็ขอให้อย่าลืมกายลืมใจให้มีความ รู้ตัวนะอยู่เสมอหลักมันก็มีง่ายๆนะคือว่าตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้ใจเราก็อยู่ตรงนี้เมื่อใจเราอยู่ตรงนี้มันก็รู้ตัวขึ้นมาเองว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อเวลาเราเดินถ้าใจเราอยู่อยู่กับกาย ก็รู้ตัวขึ้นมาเองว่ากำลังเดินอยู่ไม่ต้องไปไปบริกรรมไม่ต้องไปคิดว่าฉันกำลังเดินหรือไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องตรงไหนในการรู้กายเนี่ยมันก็ก็คือหมายถึงรู้ว่าทาอะไรอยู่รู้ว่าอิริยาบถรู้ว่ากำลังอยู่ในอิริยาบถไหนแล้วก็รู้ใจอันนี้ก็ตามมาก็คือว่า รู้ความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งขึ้นในช่วงที่เราไม่มีกิจวัตรอะไรที่จะต้องทำไม่มีงานการอะไรที่ต้องคิด เ, เพราะฉะนั้นเมื่อมันคิดขึ้นมาก็ให้รู้ น, น, นะนะเผื่อคิดแล้วแล้วเราก็มักจะหนีไม่พ้นการไปอยู่กับอดีตกับอนาคตเรามีเราไม่ค่อยได้มีโอกาสอยู่กับปัจจุบันจริงๆเท่าไหร่ เราไปอยู่กับอดีตกับอนาคตซะเยอะแล้วก็ไปแล้วก็ไม่ได้ไปเปล่าๆนะหรือไม่ได้ไปเฉยๆก็ไปเอาความทุกข์กลับเข้ามาอะไรในสิ่งที่ผ่านไปกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไปอดีตก็ไปเอาความอลไยกลับมา ทำร้ายตัวเองให้เศร้าหมอง mm hmm. เผอแปรนาคตก็กลับมาแล้วก็เอาความกังวลวิตกมา mm hmm. เผาจิตใจให้ประสับกระส่าย mm hmm. ให้ร้อนรุ่มนะบางทีเราก็ร้อนรุ่มเพราะเรื่องในอดีตก็มีใครบางคนเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่พอใจแค้นเคืองก็นึกถึงกนะ แล้วก็เก็บเอามาเผาใจอตัวเองแต่ว่าน้อยครั้งที่เราจะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันก็เป็นปกติได้อยู่กับปัจจุบันก็คืออยู่กับตัวเองนั่นแหละแต่เราก็อยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้เรามักจ ะ, ะหนีตัวเองเราชอบหนีตัวเองโดยการไป อยู่กับงานกับการบ้างด้วยการไปเที่ยวบ้างฟังเพลงดูหนังบ้างช้อปปิ้งบ้างหรือไม่ก็นีไปกับงานกับการต้องมีงานทําเพื่อที่เราจะได้อยู่ไม่ต้องอยู่กับตัวเองถ้าไม่มีอะไรทําก็คิดปรุงแต่งให้มันฟุ้งไปไกลๆจะได้ไม่ต้องมาทนอยู่กับตัวเองเราทุกคนก็บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่ว่าอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้ เราอยู่กับตัวเองที่ลายนี่มันมันวุ่นมีความขัดแย้งจึงต้องหาทางหนีออกจากตัวเองแล้วเราก็เลยหาความสุขได้ยากเวลาอยู่กับตัวเองแต่คนเราเนี่มันไม่ไม่มีทางที่จะหนีตัวเองไปได้ตลอด เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่คนเดียวก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองเสร็จแล้วก็อ้างว้างเหงาเบื่อหนายนอนไม่หลับนี่เป็อาการของคนที่ไม่สามารถจะอยู่กับตัวเองได้หรือว่าอยู่กับตัวเองไม่เป็นแต่ไม่ใช่แค่นั้นเราไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่กับตัวเองหรืออยู่คนเดียว ในยาปกติเท่านั้นในยาที่ไม่ปกติเราก็ยิ่งถูกบังคับให้ต้องอยู่กับตัวเองมากขึ้นเช่นเวลาเราป่วยนอนนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็ดีหรือในบ้านก็ดีโดยเพราะถ้าทำอะไรไม่ได้เลยแลวคนที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ถ้าเกิดว่าอยู่กับตัวไม่ได้ก็จะเหมือนกับว่านอนรอเวลา บางคนก็เหมือนันอนรอความตายก็เฝ้าแต่จ้องมองดูนาฬิกาอันนั้นคือพยายามหนีตัวเองแบบหนึ่งหรือว่าคนที่เคยทำงานทำการเยอะๆพอพอต้องมาเจ็บป่วยหรือว่าแก่เท่าทำอะไรไม่ได้ก็รู้สึกว่าชีวิตัวเองไร้ค่าแล้วก็อึดอัดขัดเครื่องเพราะว่าไม่เคยอยู่กับตัวเองมาก่อน หนีตัวอมาตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหรือคนส่วนใหญ่นี้ไม่พ้นแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่อยู่กับตัวเองได้มันก็จะชีวิตก็เป็นปกติสุขได้ง่ายอยู่ที่ไหนก็เป็นสุข มีข้อความข้อความเป็นคติเป็นคาถาของพระนัทธนเขียนไว้ตรงตรงทางขึ้นบันไดบ้านเนี้เขี่ว่า be free where you are ก็คือว่าขอให้เป็นสละในทุกที่ที่เราอยู่ไม่ว่าอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่บนท้องถนนอยู่คนเดียวหรืออยู่ท้ำกลางผู้คนก็ ให้เป็นอิสระคือเป็นอิสระได้ในทุกที่ที่เราอยู่และคนเราก็มีความสามารถที่จะเป็นอิสระได้ในทุกที่แม้แต่ในเรือนจําก็เป็นอิสระได้แม้แต่ในโรงพยาบาลหรือบนเตียงคนไข้ก็เป็นอิสระได้และที่เราเป็นอิสระได้เพราะเราเรียนรู้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน ไม่ว่าเราอยู่ไหนเราก็อยู่ตรงนั้นจริงๆเราก็เป็นอิสระได้ And be free where you are เป็นอิสระได้ในทุกคนทุกแห่งที่อยู่แล้วก็ถ้าใจอยู่ในทุกคนทุกแห่งที่เป็นปัจจุบันอิสระก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน หนุนาเป็นอิสลามก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละถ้าเราอยู่ใจเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆมันก็อิสลามก็เกิดขึ้นแล้วดัง น, นั้นก็ขอให้เราได้ใช้เวลาช่วงนี้มีได้อยู่กับตัวเองก็โดยการมีสติรู้กายรู้ใจประคองใจให้อยู่กับปัจจุบัน จะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิก็ได้หรือว่าเวลาจะเข้าห้องน้ำก็จเจริญสติได้นอย่าให้การปฏิบัติของเรามันจากัดอยู่แต่แค่การทำในรูปแบบเดินเข้าห้องน้ำเดินหรือว่าตักน้ำลิ่นน้ำดื่ม อันนี้ก็เป็นการเจริญสติได้คือรู้ตัวรู้ในอิเลียบทใจฟุ้งใจลอยก็รู้นะอิเลียบทเล็กน้อยอย่าไปเชื่อไม่สําคัญบางทีเราไปเชืออิเลียบทเมากไม่สําคัญก็เลยหาเรื่องคิดงานการไปสร้างในขณะที่ทำอิเลียบทเหล่านั้นที่จริงสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราทำอย่างมีสติ สติก็จะมาทำให้ชีวิตของเราเป็นปกติได้มีเวลาสองสามชั่วโมงมันก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับคนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามากเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเพราะนั้นพอพยายามอยู่กับตัวเองเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการหลายอย่างเช่นเบื่อหรือง่วง แถ้าเบื่ออก็ให้เห็นความเบื่อมันนะอย่าไปอย่าไปาแพ้แต่ก็ยอมรับนะว่าเออความเบื่อเกิดขึ้นยอมรับแต่อย่าไปยอมจำนวนความง่วงเกิดขึ้นก็รู้นะอย่าไปยอมแพ้ถ้าง่วงขาที่กําลังนั่งก็อ่าเปเอเรียบทเป็นเป็นเดินซะถ้าเดินแล้วยังง่วงอยู่ก็ลองเดินให้เร็วขึ้นหรือไม่ก็ มองอะไรกว้างๆบางทีเราจะง่วงขณะที่เราก้มลงกล้มมองพื้นเรามองฟ้าเรามองไปไกลๆเจออากาศที่โล่งโปร่งใจก็พลันจะโปร่งโล่งตามไปด้วยความง่วงก็หายไปลองผัดแก้อารมณ์ด้วยนะการอ่า เหอเทียบบทหรือการใช้กายให้เป็นประโยชน์ใหม่ๆก็อาจจะยังไม่รู้ทันมันจะไปเห็นความง่วงแล้วก็จะจะเป็นปกติมันยากนะไปต้องมีการาใช้ไอเรียบบทมาช่วยเพื่อให้ความง่วงนะมันบันเทาเอาน้ําลูบหน้านะเปลี่ยนไอเรียบบทนะก็ช่วยได้เวลาเครียดก็เช่นเดียวกันนะ เวลาเครียดบางทีคนตั้งใจมากก็จะไปไปกดไปห้ามความคิดไม่สามารถจะยอมรับความคิดที่มันผุดขึ้นมาด้วยใจเป็นกลางได้ก็ไปกดไปห้ามมันก็เครียดได้ง่ายก็รู้นะรู้ความเครียดแล้วก็อย่าไปอย่าไปอยากให้มันหายเครียดยิ่งอยากมันก็ยิ่งยิ่งเครียดมากขึ้นเพราะความอยากมันก็เป็นที่มาของความทุกข์ เป็นที่มาของความเครียดแต่ยังก็ตามก็อย่าเผลอปล่อยใจลอยไปกับสถานที่สถานที่นี้ก็มีที่สวยงามมีหลายมุมที่เพลิดเพลินเจริญใจเราอจจะเวลาเราเครืยดๆนี่เออแล้วก็ปล่อยใจออกไปรับรู้สิ่งภายนอกด้วยความชื่นชมอันนี้ก็ช่วยคลายได้ แต่อย่าปล่อยใจลอยจนกระทั่งลืมลืมายลืมใจไปซะเราทําเราทําเราใช้วิธีนี้เยอะแล้วนะมันเราก็เลยอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้แต่คราวนี้เราเรามีอยู่กตัวเองเราก็อาศยความสงบของเสียงองล้อนช่วยทําให้ใจเราสงบแต่อย่าปล่อยให้สิ่งว่าออล้อนมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรามากเกินไปจนกระทั่งเราใจลอยฟุ้งซ่านนะ ไปตามสิ่งแวดล้อมนะธรรมชาติเขามีขึ้นเพื่อให้เราสงบอยู่แล้วนะเราจะใช้ธรรมชาติไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะคือชื่นชมว่าธรรมชาติจนส่งติดออกนอกกลับเข้ามาไม่ได้นะกลับเข้ามาดูกายดูใจนะความรู้สึกนึกคิดมันก็เกิดขึ้นมาตลอดเวลาแต่เขามี มีขึ้นเพื่อให้เราได้รู้นะมีขึ้นเพื่อให้เราได้รู้เมื่อเรารู้แล้ว เ, เราก็ฉลาดเมื่อเราฉลาดแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ว่าจะเป็นอิสระจากทุกได้อย่างไรเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่ยอมเป็นอิสระเพราะเราไปผูกติดอยู่กับสิ่งต่างๆอยู่ความน่าจะเป็นอยู่กับ รู้ว่ากินเสียงอยู่กับความคิดแต่พอเรารู้วมันเป็นมันก็สักแต่ว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นแล้วก็แปลเปลี่ยนไปมันไม่คงตัวไม่คงที่เพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่คงที่ไม่มีอะไรที่คงตัวเพราะมันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรก พอเรารู้มันก็วางได้อันนี้เรียกว่าเพราเรามีปัญญาก็เลยเป็นอิสระแต่ถึงแ ม, ม้เราจะไมีปัญญาที่จะลายเห็นนขนาดนั้นจริงๆเพีย ง, งแค่เราไม่ไม่เผยปล่อยใจยอยู่กับอดีตกับอนาคตเท่านี้มันก็ช่วยทําให้เราเป็นอิสระได้และทําให้เราเป็นสุขได้เพราะในปัจจุบันขณะมันก็นะมีอิสรภาพให้เราบรรลุให้เราบรรลุได้อยู่แล้ว แล้วก็ลองนะลองช่วยกันสงเสริมกันให้แต่ละคนได้อยู่กับตัวเองจริงๆถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะไปปรึกษาหารือพูดคุยแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้แต่ละคนก็ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองและเราก็เปิดโอกาสให้ตัวได้อยู่ได้เราให้เราด้อยู่กับตัวเองด้วยจิตใจต้องการความใส่ใจจากเรา เราไม่ค่อยใส่ใจจิตใจของเราเท่าไหร่เราไปใส่ใจสิ่งนอกตัวเยอะกินการเกลียรตบ้างละชื่อเสียงเกียรติยศบ้างละเงินทองหรือแม้แต่งานการหรือแม้แต่ความคิดนะถึงเวลาที่เราจะมาใส่ใจให้ความดูแลจิตใจของตัวเองหรือกับตัวเองแต่ไม่ใช่หมกมุ่งกับตัวเอง หมุมุกับตัวเองนั่นคือก็จมอยู่กับอารมณ์เป็นท่ายของอารมณ์เป็นทายของความคิดมันก็เป็นการหนีตัวเองแบบหนึ่งนะะก็ช่วยกนเปลดโลกาส ใ, ให้แกตคนเองนะแม้ว่าจะมีความเบื่อความง่วงเข้ามาอ้าวก็อย่าไปท้อถอยง่ายๆนะมันเป็นเป็นกำแพงบา ง, บางๆที่ขวางกั้นราเอาไว้ ห้ามพ้นได้ไม่ยากถ้าเรารู้จักจิตใจของตัวเองจริงๆถ้าเราก็ขอให้ทุกท่านได้แยกใจกันไปปฏิบัติตามเอาความถนักของตน